อาจารย์ครับการนมัสการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพาาระอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการวิสัชนาถามครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะครับระอาจารย์ครับก่อนจะเข้ารายการผมอขอโอกาสถามพระอาจารย์วันนี้ไปบินทบาทคนเยอะไหมครับผมก็ตามปกติประมาณสี่ร้อยห้าสิบคนครับผม ลฝ่ายก็กมีคนมาฟังทำที่น่าตกใจร้อยหสิบหคนครับผมรวมกันก็ประมาณเก้าร้อยกว่า900เก้ารอยเศษเศษครับผมตอนนี้ก็เก้าร้อยกว่าคนแล้วครับเราฟังพระอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับอืมนี่ครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องธรรมะโอสถครับรักษาโรคกายรักษาโรคใจครับพระอาจารย์จากขอปัญญาจากพระอาจารย์ในเรื่องที่การเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายทางใจครับรอาจารย์ครับขอความเมตตาครับ ความจริงธรรมโอษนี้รักษาได้เพียงแต่โรคของใจรักษาโรคของกายไม่ได้นอกจากว่าถ้าโรคของกายมันเกิดจากอาการป่วยของจิตแล้วรักษาจิตให้หายป่วยโรค ก, กลายก็จะหายตามได้เช่นโรกเครียดที่เกิดจากความเครียดต่างๆนี้ถ้าเราสามารถกําจัดความเครียดทางใจได้โรคทางร่างกายก็จะหายไป โลกบางโลกนี้มันเคยมีนิทาเล่ารู้สึกว่าตอนนั้นมีหนังสือหมอชาวบ้านหมอคนหนึ่งเขาเขียนว่าเขาไปรักเขามีมีภาพรูปหนึ่งมารักษาเราบอกว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้หมอก็ตรวจทุกอย่างร่างกายก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติก็บอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกตินะท่านไม่รู้จะรักษาตรงไหนก็เลยไม่ได้รักษาให้ท่าน แล้วหลังจากนั้นศึกสองสามเดือนต่อมาไปพบพระรุ่นตั้งแต่ตอนนั้นท่านสึกแล้วท่านบอหมอตอนนี้โรคหายไปหมดเลยโรคหายโรคร่างกายที่เคยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ที่หมอวิวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนี่หายไปหมดเลยเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดของพระเวลาบวชแล้วมันไม่ได้ถูกเลน หยีบย่ำอยากจะไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้อยากจะไปทําอะไรตามที่สมัยที่เคยเป็นคาลราวะก็ทําไม่ได้มันก็เลยไปส่งผลต่ออาการรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ของร่างกายพอลาสิกขาออกมาปั๊บได้ไปทําอะไรตามความอยากองต่างความเครียดหายไปอาการโรคที่เกิดจากร่างกายก็หายไปเป็นปกติเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรมันมันเป็นที่ความเครียดของของใจ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายให้รู้สึกปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ปวดจริงเจ็บจริงก็ได้แต่จิตมันไปอมันมันส่งไปนะครับไปไปหลอกหลอกจิตว่าเอายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปหาหมอหมอเขาบอไม่มีไม่มีตรงไหนที่ผิดป ก, กติ <laughs> อันนี้ก็เรื่องของ ธรรมโอสซนนี้รักษาได้เพียงแต่ร่างกายไอ้จิตใจเป็นหลักแต่ถ้าถ้าโรคที่มันจุเป็นเกี่ยวกนะับค้องกับจิตใจเป็นเหตุให้เจยบกข้ได้ป่วยถ้า ร, ารักษาจิตให้มันเป็นปกติได้หาปกติได้โรคที่เกิดจากจิตมันก็จะหายตามไปทางร่างกายทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของของโลกของจิตนะโลกของจิตก็คือโลกของความทุกข์นะ เวลาที่เราเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรเช่นเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยจิตไม่ได้เป็นโรคมะเร็งด้วยแต่จิตก็ไปทุกข์กับร่างกายถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ธรมรมโอสถรักษาโรคจิตได้โรคของจิตให้หายทุกข์ได้แต่โรคของร่างกายนี่มันจะไม่หายเพราะมันไม่ได้เกิดจากความที่ไม่ได้เกิดจากความเครียดของของจิตเป็นเป็นเหตุ ก็สามารถทําให้ผู้ที่มีธรรมโอษจนี้บรรเทาความทุกข์ทรมานใจได้คือดับความทุกข์ทรมานใจได้หมดเลยถ้ามีจักใช้ธรรมโอสจนี่ธรรมโอสจนี้ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรระดับชั่วคราวก็คือระดับของสติสมาธิเช่นเวลาไปหาหมอแล้วหม อ, หม อ, หมอบอกว่าเป็นโกคมะเร็ง อ้าใจเราเครียดใจเรากลัวใจเรากินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวลถ้าเราเคยฝึกสมาธิมาเราใช้สติทําสมาธิถ้าทําทําสมาธิทําจิตให้นิ่งสงบได้อาการทุกข์อาการเครียดของใจก็จะหายไปใจก็จะไม่ทรมานไปกับความเจ็บคือละโรคมะเร็งก็จะไม่สามารถทําให้ใจทุกข์เดือดร้อนได้ แต่การใช้สติสมาธินี้มันเป็นมันเป็นการใช้ระดับแบบรักษาชั่วคราวขณะที่สามารถทําใจให้สงบเข้าสมาธิได้จิตก็ไม่ไปคิดถึงโรคมะเร็งพอไม่คิดถึงโรงมะเร็งความกลัวโรคมะเร็งมันก็หายไปความอยากให้โรคมะเร็งนี้มันไม่ไม่เป็นแล้ว อ, อยากให้มันหายมันก็ไม่มีในใจใจก็เลยไม่ทุกข์ไม่เครียด กับโรคบระเลงของร่างกายแต่พอออกจากสมาธิมาพอนั่มคิดพอเห็นร่างกายนิ่มนึกถึงโรคโรคประเลงขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาได้นี่ถ้าอยากจะรักษาให้มันหายอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเวลาทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะไปรักษาที่เหตุคือเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ กับโรคภยัยไค่เจ็บก็เพราะว่าใจไม่อยากให้มันไม่อยากให้ร่างกายทุกข์นรียว่าวิภาวะตัณหาแล้วพอเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายทุกข์เวลามันทุกข์มันก็ใจก็ทุกข์ไปด้วยใจก็เครียดไปด้วยแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายว่าร่างกายมันเป็นยังไงธรรมชาติของมันมันเป็นอนิจจังหรือเป็นนิจจังมันเที่ยงหรือไม่เที่ยง เราพิจารณาแล้วก็เห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยง ม, มันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาเราห้ามันไม่ได้ถึงแม้เราถ้าเราไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์เพราะความอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าเราห้า ม, ามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ มันจะเป็นมะเร็งมันก็ต้องเป็นมะเร็งจะห้ามมันไม่ไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนาัตตาร่างกายมันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใจใจไม่สามารถห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เ่ใจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็เห็นโทษของความหยิงว่าไปคิดว่าสามารถที่จะไปลห้ามไม่ให้ร่างกายมันเป็น โลกต่ตางๆได้แต่มันท่าไม่ได้พอไปอยากให้มันไม่เป็นมันก็เลยทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงอยรับว่ารา่างกายเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้ายอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ทําใจให้เฉยๆ ใช้เบกขาวางเฉยะจะถถ้้าาเจ็บก็เจ็บจะแก่ก็แก่จะตายก็ตายอพอพอปรงได้ก็เรียกว่าปรงปรงอันนี้จังทุกขังก็นับตาได้ใจก็หายจากความทุกข์ใจใจก็เป็นปกติเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรอันนี้ธรรมะสดโดยการใช้ปัญญาวิเคราะห์สิ่งที่ทําให้ใจทุกข์เช่นร่างกาย อาการเจ็บไายได้เป่วยของร่างกายทุกแล้ก็พิจารณาร่างกายว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้หรือไม่ห้ามมันไม่ให้เจ็บไายได้ป่วยได้หรือไม่แล้วก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บถ้าไปอยากให้มันไม่เจ็บก็ทุกถ้ายอมรับว่าถ้าหยุดความอยากไม่ให้มันเจ็บได้ยอมให้ยอมให้มันเจ็บไปยอมให้มันเจ็บไายได้ปวดไปใจก็หายทุกอันนี้จะหายแบบถาวรเลยโดยที่ไม่น้ำเข้าสมาธิ ตัวหนีมันแต่จะทํางนี้ได้ใจต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถมีสติพอที่จะควบคุมใจให้วิเคราะห์ด้วยด้วยด้วยปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิมานี้ใจจะทุกข์ใจจะฟุ้งกับโลคโรคใครไข้เจ็บจะคิดแต่ว่าจะทำไงให้มัญหาไปหาหมอที่ไหนดีเป็นตัวที่ไหนดีรักษาแบบไหนดีจะคิดไปแต่เรื่องเหล่านี้เพื่จะให้รักษาโรคนี้ให้ปัญหาให้นะ มันนั่งวิเคราะห์เหตุผลว่าความทุกข์ของใจตอนเนี้มันเกิดจากอะไรมันไม่มันไม่สนใจถึงแม้จะทุกข์แทบเป็นแทบตายก็ขอให้ขอให้ดิ้นเพื่อหาทางรักษาร่างกายให้ได้ทั้งทั้งที่ถ้าเราวิเคราะห์ด้วยปัญญาแล้วก็รู้ว่ารักษามันไม่ได้แล้วคนที่มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลได้พิ่จรนาตายรัก ไปที่ร่างกายแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายไม่ฝืนไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็อยู่กับโลกมาเร็งไปพร้อมที่จะย้ายมันตายเพราะฝึกมาแล้วตั้งแต่ก่อนซอนมาแล้วทําการบ้านมาแล้วพอเจอโลกภัยจริงๆก็เหมือนกับขึ้นเวทีเจอข้อสอบจริง แต่ถ้าเราทำข้อสอบเราทำการบ้านมาก่อนวิธีทำข้อสอบก็มันก็เป็นวิธีเดียวกันเราก็จะสามารถทำข้อสอบผ่านได้คือใจเราจะไม่ทุกเวลาที่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเวลาที่เจอกับความตายขึ้นมาพอเราซ้อมไว้ก่อนแล้วด้วยสติด้วยปัญญาอันนี้เป็นธรรมออโอสถไว้รักษาโรกใจ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านใจท่านไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเพราะท่านวิจารณาร่างกายขันห้าว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใชไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นม่ต้องดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครห้ามกันได้เพราะมันเป็ น, ปนธรรมชาติมันเป็นอนัตตา มันเป็นธาตุสี่ดิน น, น้ํามไฟร่างกายไอ้เนีนนิจจังละสะกายะทิฏฐิได้ก็จะไม่กลัวความเจ็บความตายพระอาริยบุคคลท่านยังมีธรรมโอสฐ์ตั้งแต่พระโสดามันขึ้นไปพระอาจารย์ครับรู้สึกว่ามันจะได้เป็นช่วงๆแล้วมันก็ทุกใหม่แล้วมันก็พอคิดได้มันก็หายไปแล้วก็เป็นทุกใหม่เียครับอาจารย์ครับ ก็มันยังไม่ได้ยอมจริงๆไงยอมพอพอมันหายไปก็เลยเลยหยุดอย่ามันก็กลับมาใหม่ถ้ายอมจริงๆแล้วมันจะไม่กลับมาใหม่มันกลับมาเราก็จะไม่ทุกข์กับมั น, สนแสดงว่ายังตัดไม่ถึงถึงโคนถึงรากของมันสเร็จสมุดเชตามับกสยังตัดไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับถ้ า, ถ า, ามันกลับมาใหม่ถ้ามันกลับมาใหม่แล้วก็ใช้วิธีเดิมพิจารณาต่อไปพิจารณาตายลากไปครับก็พิจารณาที่อนิจังทุกขังอนัตตาไปเหมือนเดิมใช่คับโดยกว่าใจจะยอมรับแล้วก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ได้ยอมให้ร่างกายแก่ให้เจ็บยอย่าให้ร่างกายเจ็บให้นได้ป่ว ย, ยอย่มให้ร่างกายตายเมื่อถึงเวลามันเกิดขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกข์กับมา เหมือนบทสวดทำวัดเย็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพระอาจารย์ที่อันนั้นเป็นเพีงการสวดเป็นการเป็นการเตินสติคือเรียกว่าจินตามียะปัญญาการพิจารณาอยู่เนืองเดๆเพื่อไม่ให้ลืมว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นเหมือนการทําการบ้านยังไม่ยังไม่ยังไม่เป็นการทําการบ้านมันเป็นการเเป็นการศึกษาเป็นการจดจําความจริงของร่างกาามันจะต้องเป็นอย่างนี้ แต่ยังไม่ได้ทดลองทําการบ้านเช่นทําการบ้านกับความเจ็บทํำยังไงก็เวลานั่งสมาธิแล้วก็การอาการเจ็บก็อยา่าขยับร่างกายปล่อยให้ความเจ็บมันเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ของมันไปจะดับไม่ดับเราต้องทําใจไม่ให้ทุกข์กับมันให้ได้ปล่อยวางให้ได้ด้วยการใช้สติหรือใช้ปัญญาแล้วแต่กําลังของเราถ้ายังไม่มีสติถ้ายังใช้สติถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้เราใช้วิธี ใช้สติไปก่อนบริการพุโทโธไปเรื่อยๆจงกระทั่งจิตสงบก็จิตก็จะไม่ทุกข์กับการเจ็บของร่างกายนั่งอยู่ในสมาธิได้ขั้นต่อไปก็พิจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเราห้ามมันไม่ได้พอปล่อยวางได้ใจก็ไม่ทุกข์กับเวทนาเวทนาจะอยู่จะดับจะเกิดจะดับมันกาไม่เดือดร้อน อันนี้เป็นการทําทําข้อสอบเลยทำทำการบ้านแบบทําแบบจริงเลยแล้วต่อไปเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ในป่วดปวดศีรษะปวดอะไรเป็นโรคภายใกล้เจ็บแล้วเกิดอาการปวดก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะใจไม่เท่า ก, กับอาการเจ็บปวดของร่างกายเพราะใช้สติใช้ปัญญาปล่อยวางใจสงบความตายก็นามาฝึกเป็นปอยู่ที่หน้ากลัวที่เราคิดว่าอาจจะทําให้เกิดภัยกับร่างกายของเราได้ เป็นไปอยู่ตามป่าปนรืไปอยู่ตามป่าชา้าเลยที่มันน่ากลัวเนี่ยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาปลงปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้อง ม, มันเป็นอนิจจังมันเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาถ้ายังให้มันดับได้ใจก็จะหายกลัวจะ ห, ห้ทุกข์อันนี้เป็นการซ้อมังไม่ได้เจอความความตายอย่างของจริงแต่เป็นความความตายเทียม คืเวลาเราไปอยู่ที่ไหนที่มีการรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเรามันก็เกิดความกลัวตายขึน้นมาเราก็ใช้เหตุการณ์นั้นมาสอนใจให้ตรงให้วางร่างกายว่าวันนี้ร่างกายไม่เที่ยงมันจะต้องตายพอเรายอมตายยอมปล่อยให้มันตายใจเราก็ไม่ทุกับมันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่กลัวตายต่อไปอย่าง ท, งทั้งที่ยังไม่เจอของจริง แยากมาเจอของที่เสมือนจริงรกับพระคุณพระอาจารย์ครับควจะเข้าใจนะเข้าใจครับผมมันอาจจะฟังยากหน่อยโดยสรุปก็คือธรรมะอวสณ์นี้รักษาทุกความทุกข์ของใจที่อาจจะมีผลมาจากไปยไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเขา้าแล้วกลาความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราซ้อมฝึกไว้ก่อนด้วยสติด้วยปัญญาเราไปเวลาเราเจอของจริงเราก็จะไม่ถูกกันแต่เราไม่สามารถไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้พระพุทธเจ้าพระหลนทั้งหลายก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดขอโอกาสพระอาจารย์ถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับคุณดำครับบอกว่าถ้าเกิดเป็น เป็นเทวดายัางต้องไปมีครอบครัวเหมือนมนุษย์หรือไม่ครับคือภพของเทวดาที่มันนกทิพย์มันเป็นภพของแดนเนี่ยเป็นเหมือนแดนในระมิดจิตเราจะในระมิดเหมือนตอนที่เราฝัน น, น่ยตอนที่เรานอนหลับฝันไปตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนตายชั่วคราวตอนนั้นเราไม่มีร่างกายเราไม่ได้ใช้ร่างกายจิตก็เลยใช้บุญที่เราได้ทําไว้ในระมิอย่างหนาวที่ดีที่เป็นสวรรค์ขึ้นมา ถ้าเราทำบุญไว้มันก็จะในระ่ับเรื่องที่ดีอาจจะเรื่องมีครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวที่นั่นที่นี่ไปมีความสุขกับแฟนคนนั้นก็นี้อะไรไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลผลของบุญที่เราทำว้บุญมันก็จะส่งผลให้เราเวลานอนหลับเราก็จะฝันดีฝันดีก็เป็นสวรรค์เป็นเทพเวลาตายก็ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนตอนนอนหลับนี่เรา เราเป็นเทพชั่วคราวเป็นเทพชั่วขณะที่ร่างกายหลับพอร่างกายตื่นจิตก็กลับมาที่เข้ามาในร่างกายใหม่มนรับเรื่องราวของร่างกายใหม่เดี๋ยวตอนคืนก็ก็ก็กลับไปฝันใหม่บางคนฝันดีนะวเวลาตื่นนี่ไม่อยากจะตื่นเลยใช่ไหมว่ารู้อย่างนี้ไม่ตื่นดีกว่า <laughs> <laughs> ก็ไม่เป็นไรถ้าเราฝันดีอย่างนั้นเราก็มีเราเหมือนกับเราเล่นดูหนังตัวอย่างว่า เวลาเราตายไปเราก็จะดีกับเราอยู่ต้องเยอะแยะไม่กลัวความตายทําไมโลกปัจจุบันเราอยู่นี้มันทุกข์ทรมานกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เวลาเราตายไปเราเข้าไปสู่แดนของความฝันที่ดีกา ร, รจะทําให้ไม่กลัวตายก็ได้ยินดีที่จะตายเพราะเรารู้แล้วว่าเรา ส, สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปจะเป็นอะไร เราจะนด้เจอกับเหตุการณ์ที่มีเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ทําให้เรามีความสุขเมื่อกี้ก็มีคําถามที่คล้ายๆข้อนี้ครับบอกว่าโลกหลังความตายนี่มีอยู่จริงใช่ไหมครับใช่เพราะร่านการจิตไม่ได้ตายเหกับร่างกายไงจิตอยู่ต่อจิตก็จะอยู่ในสภาพของของของแดนในระมิดอยู่ในแดนในระมิดอยู่ที่ว่าบาปด้วยบุญเป็นทุ่นในรเมิ itt, เรื่องราวตา่ตางๆ ถ้าบุญในรเมนต์ก็จะในลเม้นต์เรื่องราวที่ดีมีเรื่องราวที่เป็นความสุขถ้าบาปเป็นผู้เนลเม้นต์บาปก็จะเป็นเรื่องราวที่มีแต่ความทุกข์ความเครียดต่างๆคุณโยโย่ครับหากการรักษาพยาบาลพ่อแม่แล้วก่อให้เกิดความทรมานเราเลือกปล่อยให้ร่างกายท่านแตกดับไปเองอักตันอยู่ไหมครับ ไม่ใช่เราหน้าที่ของเราจะไปเลือกเหมือนมันหน้าที่ของพ่อแม่ให้เขาตัดสินใจว่าจะทํำยังไงเรามีหน้าที่รักษาพยาบาลก็รักษาไปดูแลท่านไปนอกจากว่าท่านบอกว่าหยุดการดูแลเราได้แนะ้วปล่อยให้เราอยู่ตามสภาพไปครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ไม่รักษาท่านก็บอกท่เสด็จไม่ต้องไม่ต้องพาเราไปโรงพยาบาลอราจะรักษาที่วัดไปตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไป อันนี้เราเป็นคนไปตัดสินใจแทนท่านไม่ได้ทำไปตัดสินใจแทนท่านก็สแสดงว่าเราปัดความรับผิดชอบไม่อยากจะไม่ละไม่อยากจะดูแลท่านปล่อยให้ท่านตายเรามีหน้าที่ดูแลก็ดูแลไปจนกว่าท่านจะบอกไม่ต้องดูแลแล้วไม่ต้องทาอะไรแล้วเราก็ไม่ต้องทําไปพระที่ออกจากนิโลสมาบัตจะเจอได้ที่ไหนครับส่วนใหญ่ท่านจยืนตามป่าน้ําเขาตามถ้ำนะ ทัานยัไม่มาบอกใครว่าเราเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติไม่เกิดมาอยู่แล้วจากการไปบอกคนอื่นไม่ได้สิ่งที่เราจะให้กับท่านนี้มันไม่ได้มันไม่คุ้มมันไม่พิเศษเท่ากับสิ่งที่ท่านได้จากนิโรธสมาบัติท่านก็เลยไม่มีความจําเป็นที่อยากจะไปบอกใครเพราะท่านไม่มีความต้องการอะไรจากใครทั้งนั้นไม่ได้นั่งสมาธิแต่พิจารณาถึงความตายตลอดทุกลมหายใจ การปฏิบัติเช่นนี้จะมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมครับถ้ายังไม่เบฝึกสติด้านสมาธิก็ยังไม่ก้าวหนะ้ามันก็ยังเป็นแค่จินตามายาปัญญายังไม่เป็นภาวนามายาปัญญาเวลาเจอความตายขึ้นมาหรือเวลาเพียงแต่คิดถึงความตายก็อาจจะทําให้ใจทุกแล้วก็ได้ <c oughs> ตื่นนอนกลางดึกแล้วลงไปนอนไม่หลับเห็นจิตหลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดพยายามลุกขึ้นมานั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็ยังหลงไปคิดสลับกับการรู้พุทโธแต่จิตก็ไม่สงบควรทําอย่างไรครับควรทําไปเรื่อยๆทาอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเนื้อดูลมหายใจไปก็ได้แต่อยา่าไปอยากหลับยิ่งอยากจะหลับมันยิ่งจะไม่หลับใหญ่ให้เราอยู่กับพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไป ท ำ, ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยมันก็จะหลับเองพอจิตหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุโทโธก็จะหยุดจิตก็จะหลับร่างกายก็จะหลับไม่ใช่จิตเลหลับด้วยกันทั้งคู่ <c oughs> ผมบริจาคร่างกายดวงตาและอวัยวะหมดแล้วและก็ไม่หวังอะไรตอบแทนหวังแค่ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นดีกว่าเผาทิ้งเฉยๆ แบบนี้ถือว่าผมมีกรรมอย่างไรครับถึงมีอะไรโดนใจให้ผมบริจาคครับยังความจริงยังไม่ได้เบอร์จากนะถ้าเบอร์จากต้องให้เขาเอาร่างกายไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วเอาไปเลยคุณต้องการอาวัยวะอันไหนเอาค้าออกไปเลยต้องการต า, าไปเลยต้องการตับต้องการหัวใจเอาไปเลยตอนนี้คุณยังไม่ได้เบอร์จากคเนเพีงแต่ทําสัญญาทําแจ้งเจตนาลงว่าถ้าเราตายแล้วเราจะบริจาคร่างกายนี้ ดังนั้คุณยังไม่ได้บุญอะไรจากการบริจาคตอนนี้เลยเพราะคุณยังไม่ได้บริจาคแต่ถ้าคุณบริจาคใช่ไหมเาตอนนี้เรามีตายสองข้างใครต้องการตายของเราเราขอบริจาคตายไปข้างหนึ่งอย่างเนี้ยคุณจะได้บุญเพราะคุณรู้รู้ตัวอยู่มว่าคุณได้บริจาคตายไปข้างหนึ่งแต่ขณะที่คุณตายนี่คุณไม่รู้แล้วว่าเขาเอาร่างกายของคุณไปทําทอะไรบ้างคุณก็จะ<ย>ไม่ได้บุญหลยเพราะบุญเก่าจากความรู้สึก รู้สึกที่เราได้ทำคุณทำประโยชน์เราจะรู้สึกได้ก็ตอนตอ น, ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่รู้แล้วว่าร่างกายของเรานี้เขาจะไปทำอะไรอย่างไรแต่ผู้รับได้ประโยชน์ผู้ที่ผู้รับอวัยวะต่างๆว่ายังได้รับประโยชน์อยู่แต่ผู้ให้ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้อะไรเลยร่างกายป่วยเจ็บแต่เราไม่ไปเจ็บไปป่วยกับร่างกาย ทำไมบอกเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจหนูบอกเขาผิดหรือเปล่าครับันดับปัญญาของแต่ละคนมันต่างกันไงบางคนเข้าถึงจิตก็เข้าใจบางคนเข้า ย, ยังเข้าไม่ถึงจิตก็ไม่รู้ว่าจิตคืออะไรยังคิดว่าจิตกับร่างกายเป็นอันเดียวกันอยู่เขายังแยกจิตกับกายออกจากกันไม่ได้ นั่งสมาธิประมาณสิบนาทีมันจะง่วงทุกทีทำยังไงดีครับต้องแก้ไขอย่างไรครับก็รบกืนมาเดินสมาธิแทนดีกว่าอย่านั่งสมาธิวันนี้มีคนคอมเมนต์ถึงพระอาจารย์ว่าได้พบพระอาจารย์ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากมายหลายหลายคนเลยนะครับพระอาจารย์ครับสาธุยินดีที่ได้ทัาทำประโยชน์ให้กับทุกคน ถ้าเราทําบุญใส่บาตรแล้วไม่ได้ไปไม่ได้ไปกวดน้ําได้ไหมครับคือการกวดน้ํานี่เป็นเป็นออปชันที่เราจะจะกวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้ถ้าเรากวดคําว่ากวดน้ํานี่มันก็ไม่ไม่ได้มาเคาต้องใช้น้ำนะเขาบอกว่ากวดน้ํานี่คือการอุทิศบุญคือบุญที่เราได้จากการใส่บาตรหรือทําบุญเนี่ยเราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ลงมากรวน้ำได้ โดยการระลึกภายในใจเราว่าขอทิศบุญส่วนนี้ให้กับบคุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ร่วมรับไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปจากเราโดยที่เราไม่ต้องไปหาน้ํามานั่งกวดแล้วนั่งสวดตามบทที่เขาสอนให้เราสวดอันนั้นเป็นพิธีกรรมที่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจวิธีุทิศบุญว่าทําอย่างไรก็เลยต้องอาศัยพิธีกรรมมีน้ําให้เทแล้วก็มีบทให้สวน มีบทให้อ่านส่วนอีมินาอะไรไปควาจริงก็ไม่ได้อุทิศเลยเพราะใจมันไปนส่วนโดยทีตย่ตัวเองก็ไม่เข้าใจบทส่วนว่าสวนอะไรอยู่ความจริงเราต้องมีความเข้ารู้ความเข้าใจในใจแล้วว่าเรากําลังอุทิศบุญให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้นคคนนนที่ลงรับไปแล้วดันั้นเราไม่เ้องใช้งานะแต่เราจะอุทิศหรือไม่อุทิศนี่เป็นออปชันของเราจะอุทิศก็ได้ไม่อุทิศก็ได้ไ ดูแลคุณแม่บางครั้งเผลอดุคุณแม่เพราะท่านเริ่มดื้อเหมือนเด็กๆเราจะบาปไหมครับช่วงเผลอไปก็รีบดึงสติกลับมาให้เร็วก่อนไปต่อครับก็าบาปนะถ้าไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่หนือผู้มีพระคุณก็พยายามยตั้งสติก็วเวลาที่เราอยู่ใกล้แม่นี้ต้องนึกคุณแม่เหมือนกับเป็นอยู่กับต่อหน้าพระนึกตอนหน้ากับคนที่เราเคารพนับถือคนที่เราย่าเกรง ถ้าคิดว่าอยู่ต่อหน้าพระพระมาหากษัตริย์เลยก็ได้จะได้ไม่กล้าทําอะไรที่มันไม่ไม่ดีพูดอะไรที่ไม่ดีเคยดูแลที่บ้านมานานแต่หยุดสี่ปีบาปไหมครับต้องเร่งใช้หนี้หมดตอนนี้พอแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้แม่ได้ใช้บ้างแล้วครับลงที่ไม่ได้ทําก็ไม่ได้บุญทั้งนั้นไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแต่ไม่บาปนะ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยการแยกกายและจิตออกจากการจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ไหมครับก็อย่างที่บอกว่าคือต้องยากด้วยการด้วยการเจริญสติหรือการใช้ปัญญาถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธินี้จะยากด้วยการใช้ปัญญานี่ยากไม่ออกเพราะมันยากไม่มีกําลังพอต้องใช้ยากด้วยด้วยวิธีของสติสมาธิก่อน เวลาเการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจ่ายทุกข์ทรมานก็ให้พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายพอจิตสงบความทุกข์ในใจก็จะหายไปชั่วคราวแล้วพอออกจากสมาธิมาทีตอนนี้พร้อมแนละ้วถ้ามีสมาธิเนะี่ยพร้อมที่จะแยกแยกใจกับกายออกจากกันโดยการใช้ปัญญาสอนใจว่า ใจไม่ได้ทุกข์ใจไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยที่ใจทุกข์เพราะใจอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่อยากให้ใจทุกข์ก็อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปพอพิจารณาด้วยปัญญาก็สามารถหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้พอหยุดได้ใจก็ไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญา แล้วก็จะจะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปเลยไม่ทุกข์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยไปตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องลบเข้าไปในสมาธิก็ได้เงินปล้นเขามาหนึ่งแสนบาทเอาไปทําบุญกับพระอริยะได้บุญกี่บาทครับบุญอะไรนะบุญต้อนนะ บ, บุญปล้นเขาไปปล้นมาแสนหนึ่งครับแล้วเอาไปทําบุญกับพระอริยะเขาจะได้บุญกี่บาทครับ ก็ล่ากล่าทํากี่บาทลถ้าเราเอาทำแสนหนึ่งเราก็ได้บุญแสนหนึ่งแต่เราได้บาปด้วยบาจากการไปไปป้นเงินเข้ามาการให้ไม่ว่าจะเป็นให้ใครได้ไ ด, ได้เท่ากันหมดนะบุญที่เราทําให้กับใครนี้มันไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันทํากับผ้ า, าระยะหรือทํากับคนธรรมดาถ้าปริมาณเงินที่ทําไปนี้เท่ากันบุญก็คือความรู้สึกสุขใจอิ่มใจมันเท่ากัน แต่ที่ที่เราจะได้จากพาริยะก็คือท่านอาจจะสอนธรรมะเราสอนว่าการทําบาปนี่ไม่ดีค <c oughs> นรเลิกใช่ไเอาเงินนี้ไปคืนเขาจะดีกว่าแล้วยอมรับโทษเกิดจากการไปขโมยงงเงินของเราไปพ้นยองเรามาภา <c oughs> ริยะท่านก็ไม่ต้องกายเงินของเราแล้ว <c oughs> ถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นเงินที่มาด้วยการกระ ท, ทําบาปแล้วท่านสามารถสอนเราได้สอนให้ เ, เลิกกระทาบาปได้ท่านก็จะสอนธรรมะให้กับ แล้วก็คืนเงินของเราไปให้ว่าเอาเงินนี้ไปคืนกขาดีก่าแล้วยอมไปติดคุกติดตารางอาจจะติดน้อยเพราะเอาเงินไปเอาไปสารภาพแล้เอาเงินไปคืนเข า, า, า, า, อ, อ, าเอาจจะลดโทษลงไปครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินกาบเรียนพระ อ, อาจารย์ครับชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากๆตั้งแต่รู้จั ก, จกพระ อ, อาจารย์ทําบุญมากขึ้นใส่บาตรทุกเช้าใจเย็ยนมากขึ้นนิ่งได้มากขึ้น ซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมลดลงเยอะมากไม่ต้องเหนื่อยไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือบูชาเทพองค์ไหนพระอาจารย์สอนให้มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันลดความอยากความคาดหวังตอนนี้ตามฟังธรรมะพระอาจารย์ทุกวันทั้งไลฟ์สดและเทปธรรมะขอพระอาจารย์มีศาดขันแข็งแรงนะครับจากวันจะไปกราบพระอาจารย์ด้วยตัวเองครับสาธุนะขอให้จิตใจสงบไปตลอดนะ <c oughs> คำพูดสุดท้ายของแม่รวบรวมพลังพูดว่าให้เอาแม่ไปด้วยหลังจากนั้นก็พูดไม่ได้อีกสามสี่วันท่านจากไปอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับต้องถามท่านเราไม่รู้ความหมายของท่านหมายเขาว่าเอาแม่ไปด้วยหมายถึงใครเอาให้เอาแม่ไปด้ว ย, ว ย, วยถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกมันไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไร ขอปัญญาปลดทุกข์ครับหากสามีไม่ซื่อสัตย์ทําให้ภรรยาทุกข์มากหากแก้ไม่ได้ภรรยาต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวขอปัญญาในการที่จะต้องอยู่ต่อไปครับก็พิจารณาสามีว่าเขาเป็นสิ่งที่เทียงแท้แน่นอนหรือไม่เราควบคุมบังคับเขาได้หรือไม่ให้เขาซื่อสัตย์กับเราไปตลอดได้หรือไม่เราต้องพิจารณาถ้าเราได้คําตอบว่าไม่ได้เพราะเขาเป็นของที่เราไม่แน่นอนไม่เทียม อันนี้จังอันนั้นตาเราก็ปรุงก็ไม่ได้ที่เราทุกเพราะเราอยากจะไปให้เขาซื่อสัตย์อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอยากความจริงเขาว่าไม่สามารถที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดหมือซื่อสัตย์กับเราไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยามรับกับสภาพความจริงว่าถ้าเขาจะไปจะทิ้งเราก็ต้องปล่อยให้เขาทิ้งเราไปเราก็ต้องหัดอยู่คนเดียวให้ได้ด้วยการมาฝึกสตินั่งสมาธิรับความสุขจากการปฏิบัติธรรมจะดีกว่า เพราะเรามีความสุขจาการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างไม่มีความรู้สึกเหงาหรือเศซาวร้อยงดเหงาใดอย่างได้ถ้านั่งสมาธิจนได้ฌานจะหายกลัวผีกลัวตายไหมครับยังยังไม่หายหรอกยังมีความกลัวอยู่เพียงแต่ว่าเวลากลัวก็ใช้สติทำใจให้นิ่งให้สงบความกลัวนั้นก็จะหายไปชั่วคราว ถ้อยากจะให้ความกลัวหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรากลัวผีเพราะอะไรกลัวเพราะมันจะมาทําให้ร่างกายเราตายใช่ไหมแต่ร่างกายเรามันจะต้องตายหรือไม่อย่างไรมันก็ต้องตายอยู่ดีเป็นเป็นอนิจจ์อนัตตาเราห้ามมันไม่ได้เห้นถ้าเรายอมให้ร่างกายตายไปเสียเราก็จะหายกลัวต้องใช้ปัญญาถึงจะหายกลัวอย่างถาวร การพิจารณาร่างกายที่ป่วยแล้วนั้นแค่คณิกะสมาธิสามารถพิจารณาด้วยปัญญาได้ไหมครับก็มันก็เป็นกําลังน้อยไงมันยังไม่สามารถพิจารณาได้อย่างแ น, น่นเพราะการพิจารณาบางทีมันต้องพิจารานานกว่าจิตมันจะยอมรับความจริงได้ระหว่างการเลี้ยงดูพ่อแม่กับการเลี้ยงลูกอะไรได้บุญเยอะกว่ากันครับ เลี้ยพ่อแม่ได้บุญมากกว่ายังลูกนี้ถ้านจะไม่ได้บุญเลยเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องตัวเราเองเพราะลูกเราเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราออกมาจากท้องเราก็เหมือนกับดูแลตัวเราเองไม่ค่อยได้บุญเลี้ยงลูกมันก็เลี้ยงตัวเราเองแล้วเราเลี้ยงตัวเราเองเราไม่ได้บุญกาจะได้บุญนี่เราต้องไปไปไปเลี้ยงดูคนอื่นช่วยคนอื่นเนี้คนอื่นก็อยู่กัเองมีความสุขเช่นพ่อแม่เรารู้ว่าเขาไม่ใช่เป็น เขาไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของเราแต่เรามองลูกของเราว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นมัอนอวัยวะอันหนึ่งของเราที่เราจะต้องดูแลรักษามันก็เลยไม่ได้บุญเพราะมันมีอัตาตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นของเราเพื่อนชวนไปปล่อยปลาบอกเพื่อนไปว่าใครจับมาก็ไปปล่อยเอง เราปล่อยวางจิตใจง่ายกว่าเพื่อนไม่ชวนอีกเลยอย่างนี้ถูกไหมครับเรื่องของเขามันจะถูกไหมถูกเราก็ไม่รู้เหมือนกันมีรังมุดแดงคันไฟก่อรังที่หน้าบ้านถ้าเราจ้างคนมาทําลายรังมันโดยคนงานใช้น้ํามันราดและใช้ไฟเผารังมันอย่างนี้เราบาปไหมครับ ทางทั้งที่เราไม่ได้ลงมือทําและคนงานไม่ได้ตั้งใจทําแต่ทําตามคําสั่งเราบาปไหมควรแก้อย่างไงครับบาปด้วยกันทั้งกู้สั่งให้ก็ทําก็ดีทําเองก็ดีคนทําก็ดีคนคนสั่งก็ดีบาปด้วยกันทั้งกู่ถ้าทาให้เขาตายก็ย้ายลังเข้าไปใส่หาวิธีป้องกันเอาอะไรมาคุมไว้ก่อนคุมลังไว้ก่อนถุงพลาสติกหรืออะไรก็ได้แล้วก็ย้ายมันไปไว้ในที่อีกที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้ทําให้เขาตายเหมือนกับโอน เมืกับเว้นคืนที่ดินเวลารัฐบาลต้องการสร้างอาคารรัฐสภานนี้ยอาจจะต้องเว้นคืนที่ดินไมนต้องชดใช้ค่าใช้ใจ่ายค่าเสียหายให้กับเจ้าของที่ดินให้เขาแฮปปี้เพราะเาแฮปปี้ก็ไม่เป็นบาสมนทุกนี้ก็เหมือนกันถ้าเราย้ายให้เขาไปอยู่ที่ใหม่โดยที่เขาไม่เดือดร้อนเขาห า, หาที่ใหม่อยู่ได้ไม่ทําให้เขาตายมันก็ไม่บาป กรรมที่เคยพูดจากับพ่อไม่ดีจะแก้ยังไงครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปหลายปีแล้วครับก็แก้ไม่ได้แล้วเพีงแต่เราเอาเราเอามาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าเราอย่าทําอย่างนี้ต่อไปไม่ว่าจะพูดอะไรกับใครก็ดีทําอะไรก็อะไรพยายามอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนให้มีความเมตตาใช้ความเมตตา หากเราปลีกวิเวกอยู่คนเดียวรักสันโดษไม่เจอผู้คนเท่ากับว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากบาป ท, ทั้งสิ้นทั้งปวงสามารถใช้วิธีนี้เป็นบันไดขั้นแรกในการบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับก็เวลาที่ไปอยู่ห่างไกลาจากคนห่างใจจากสิ่งต่างๆเราโอกาสที่ทําบาปมันก็น้อยลงแต่มันก็ยังอาจจะทําได้อยู่ถ้ามีอะไรมากระตุน้นมีอะไรมากระตุ้นให้เราทําขึ้นมา แต่มันก็ทําให้การรักษาศีลง่ายกว่าเวลาที่เราอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้สิ่งของอะไรต่างเวลาอยู่ใกล้สิ่งของเวลาเห็นวัตถุอะไที่เราชอบขึ้นมาเกิดอยากได้ขึ้นมาอาจจะเห็นว่าเจ้าของก็เผลอวางไว้ก็อาจจะไปห้ามใจไม่ได้ก็ไปเข้ามวยมาก็ได้ก็นักปฏิบัติทางดึงนิยมที่จะไปอยู่ที่ห่างไกลาจากวัถกตถุต่างๆจากค่ามยสสศสสรสนุด ถ้าเราถวายเงินพระแต่มาทราบภายหลังว่าท่านเอาเงินไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรอย่างนี้เรายังได้บุญอยู่ไหมครับได้แต่เราไม่ควรให้ท่านอีกครั้งต่อไปเพราะเป็นการส่งเสริมให้ท่านไปทำในสิ่งที่ไม่ดีโดยหลังงล้วเงิงนนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้สนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ของพระเช่นถ้าขาดอาหารเจ็บไข้ได้ป่วยปินสบายไม่ได้ก็อาจต้องไปซื้ออาหารมารประทาน หรือจีวรขาดต้องเปลี่ยนจีวรใหม่อะไรทำนองนี้ปัจจัยสี่ของพระถ้าเรื่องอื่นอาจจะต้องเดินทางไปหารักษาตัวที่โรงพยาบาลไปหาหมอหาอะไรบางแห่งก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าถอยเงินแบบนี้ใช้ใช้แบบนี้ก็เป็นเป็นบุญไม่กุศลทั้งผู้ให้และทั้งผู้รับผู้ให้จะได้บุญอยู่แน่นอนไม่ว่าผู้รับจะไปใช้ทําอะไรถ้าผู้รับจะ รับเงินแล้วไปใช้ในทางที่ประดกุศล ม, มันก็เป็นความผิดเห็นโทษของผู้ผู้รับผู้ให้ไม่มีความผิดแต่อย่างใดผู้รับผู้ให้ก็ยังได้บุญเหมือนเดิมทั้งตระกูลเราชอบทําบุญแต่ทําไมเราถึงเจอแต่ปัญหาชีวิตหนักๆอยู่คนเดียวครับ อ, อ๋อมันไม่เกี่ยวกันเรื่องทำบุญกับเรื่องปัญหาชีวิตนี่มันคนละเรื่องกันการทําบุญไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่มีปัญหาชีวิตนะ คนเาทําบุญหรือทําบาปมันก็มันจะมีปัญหาชีวิตรหรือไม่มันอยู่ที่เหตุปัจจัยที่หลายอย่างที่มาทําให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาคือเ ป, เป็นเรื่องของกฎอนิจจ์เราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนปัญหาต่างๆอาจจะประดังเข้ามาในบางช่วงาเวลาบางช่วงาเวลาจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําบาปใด ทำบุญทำบาปนี่ทำให้จิตใจเราสุขหิืทุกข์แค่นั้นเองที่เป็นผลที่ไดจากการทำบุญทำบาปตอนโดนรถชนปื้นบนเตียงรอเอ็กซเรย์ทาขยับปวดทั้งตัวและโครงเครงเลยนอนนิ่งจึงนอนนิ่งหลับตาขณะนั้ น, นพุดโทไม่เข้าเลยรู้สึกว่ามีอาการขึ้นล ง, ท, งทั้งที่เตียงอยู่เฉยๆหนูทำพลาดตรงไหนไหมครับ ก็ถ้าเราเฉยๆได้จิตเราเฉยๆไม่ดุกมันก็ก็ถูกต้องถ้าจิตถ้าจิตไม่รู้สึกทรมานไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้นะอาจจะมีสติควบคุมจิตให้นิ่งเฉยๆได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้หรือถ้าเรามีปัญญาปองว่มันจะเจ็บก็เจ็บไปทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ใช้ปัญญาแทนท่านเดิมครับพอย้ายมาห้องพัก ยนนพยายามพุดโพแต่ยังไม่ได้เลยอยู่กับตัวรู้สึกรู้สึกถ้าลืมตาก็แค่รู้สึกเห็นหมอเห็นหมอพยาบาลคนป่วยครับก็ก็แสดงว่าเรามีสติแล้วเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้พูดโทรสร้างสติขึ้นมาถ้าเราสามารถทําจะให้เราเป็นอุเบกขาได้ให้สั่งแต่ว่ารู้ได้เมื่อทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ ก, ก็ถือว่าใช้ได้ ฝากสตางค์ไปซื้อของใส่บาตเขาซื้อขนมใส่บาตแล้วหยุดไว้กินเองหน่อยหนึ่งจะบาปหรือเปล่าคะ่ะคนทําก็ต้องบาปสิเพราะเขาเราไม่ได้อนุญาต ใ, ให้เขาเอาวันนี้ไปซื้อขนมให้เขากินเขาก็ยกักยอกเหมือนกับยกัยกยอกบุญเอาเงินที่ไปทําบุญนี่มาซื้อขนมกินเองก็เท่าขโมยเงินของผู้อื่นมา เวลาเราไปซื้อปลาที่ตลาดแล้วไม่มีปลาที่ทําไว้แล้วพ่อค้าบอกไปก่อนแล้วกลับมาอีกรอบเราได้ปลาเราจะบาปไหมครับถ้าเรารู้ว่าเขาจะทำให้กับเราก็บาปเพราะว่าเ<ม>หมือนกับเราก็บอกเขาแล้วว่าเราต้องการปลาแล้วตอนนี้เขายังไม่มีปลาที่ตายแล้วมาให้เราเขาอาจจะไปเอาปลาที่ยังไม่ตายมาฆ่าแล้วก็ามาให้เราก็ เ, าเท่ากับเป็นการบอกเขาสั่งเขาว่าเราต้องการปลาแล้วเขาก็ไปฆ่าปลามาให้กับเรา กรบาทด้วยกันทั้งคู่พระอาจารย์ครับมีคุณเชฟบอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าผู้รู้ยศสอสอ80ครับคิดถึงพระอาจารย์มากๆเลยครับยังจบใาจางหรือยังไม่ได้บอกนะเขาบอกว่า80อะครับพระอาจารย์รุ่น80ไม่ใช่80นี่มันชื่อโรงเรียนยศ ส, สอสอ80ครับผมสำเนียงภาษาอังราษตอนั้นพระชนมาอายุท่านครบ80รอบ ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาอโดยตั้งชื่อว่าเป็นยอซสโรงเรียนทู้รุ่นยอสอส80ครับยอสอสก็คือยานสังวรทั้งสำเน็ตทั้งพลาดครับมีกี่รุ่นแล้วครับอาจารย์ครับก็สร้างมาประมาณ28ปีแล้วมั้ง28รุ่นเลยครับผมน่าจะดูจากหน้าน่าจะเยอะแล้วครับอาจารย์ครับถ้าเรา กามาเยียมน้องๆบ้างมาเลงเลีเล้ยงอาหารกลางวันให้กับ น, น้องๆบ้างก็ดีถ้ามีถ้ามีกําลังพอที่จะทําได้กครัขึ้นสู่เย้ามาสนับสนุนพวกน้องๆครับต อ, อนนี้บวชเนรกันปีม .1 จบพ อ, อดีปิดเทอมทางเรียนเป็นธรรมเนียมที่จะจับเด็กม .1 ก่อนจะปล่อยให้กลับบ้านให้มาบวชเนรอยู่ที่วัดยานประมาณสิบห้าวันเพิ่งบวชได้ตั้งแต่วันที่หกมาเนี้ ถ้าเราฝากเขาใส่บาทเราก็ต้องกรวดน้ําด้วยใช่ไหมครับเรากรวดได้ทันทีพอเราอุทิศพอให้เงินส่งเข้าไปแล้วเราก็ถือว่าเราเราสามารถอุทิศบุญได้เลยเพราะเราบริจาคเงินไปแล้วถ้าจะให้มั่นใจก็เราให้เขาคอนเฟิร์มมาก่อนว่าเขาได้ซื้อหานใส่บาทแล้วก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ยึดติดกับเงินนั้นถึงแม้ว่าเงินไม่ไม่เขาไม่ได้ไปสายบาศเขาเอาไปเอาไปใช้เองแล้วเขามาแล้วเขามาบอกว่าเขาเอาไปสายบาอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเราก็ยังสามารถจิตบุญได้เพราะเรามีความสุขใจเพราะเราคิดว่าเราได้ทําบุญแล้วครับอยู่ในครอบครัวที่มีคนท็อกซิตทาอย่างไรให้จิตใจผ่องใสได้ครับก็อย่าไปสนใจอย่าไปเปลี่ยนเขาเลย ที่มันทุกข์เพราเราอยากจะไปเปลี่ยนเขาอยากจะให้เขาไม่ท็อกซิกมันก็เลยทําให้เราทุกข์ถ้าเราเฉยๆสิเขาท็อกซิกเขาไปเขาท็อกซิกไปแล้วก็อยู่ของเราไปตางฝ่ายตางอยู่ขึ้นไปใจก็ไม่ทุกข์กับเขาคุณพ่อเสียชีวิตตอนที่ยังไร้เดียงสาอยู่ไม่ได้ใช้เงินของตัวเองดูแลจะเป็นลูกที่ไม่กระตันยูหรือเปล่าครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ไม่ถึงว่าไม่มีความกระตันยู เห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้ไ ด, ไ ด, ได้ตอบแทนคุณแม่แต่พอได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็มีพลังจิตสามารถติดต่อกับพุทธมารดาที่อยู่ในสวรรค์ได้ก็ไปตอบแทนบุญคุณในการสแสดงธรรมจนท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาถ้าคุณต่อไปไปบวชแล้วอาจารย์บรรลุธรรมเป็นผ้าหลานขึ้นมาแล้วมีพลังจิตก็สามารถที่จะติดต่อกับพ่อที่ ท, ที่ตายไปแล้วก็ได้ ก็อาจจะไปแสดงทำโปรดท่านก็ได้ถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นความอคตันยแต่อย่างใดเพราะเหตุการณ์มันมันไม่ทําไม่ไม่ได้อํานวยให้เราได้ตอบแทนบุญคุณเท่นั้นเองเวลานั่งสมาธิเราสามารถที่จะกลืนน้ํำลายได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าเกลือ น, น้ําลายก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะงั้นนั่งสมาธิเราต้องการเงจิตออกจากร่างกายไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกาย แต่พอไราเกินเกินน้ําลายก็จิตก็ต้องกลับมาสั่งให้ร่างกายเกินน้ําลายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อนกับเราเป็นนักการเมืองกันทั้งคู่แต่เพื่อนโกงที่ดินหลวงแต่เราไม่แจ้งจับกลุ่มอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา โยมหล่อมีรูปพระและเหรียญทองคําถ้าเราขายได้ไหมครับแล้วถ้าร้านรับซื้อเขาหลอมบาปไหมครับไม่บาปถ้าเป็นสมบัติของเราคุณแม่เคยแทงน้องแบบไม่ได้ตั้งใจต้องคอยแผ่บุญให้เขาไหมครับและจะต้องทำอย่างไรครับก็แผ่ได้ถ้าเราทำบุญแล้วก็ อ, อุทิศบุญมาให้เขาก็ได้ แต่เราไม่มีกรรมเราไม่ได้ทําบาปเพราะเราไม่มีเจตนามันเป็นอุบัติเหตุคุณทียูตอบจากเมื่อสักครู่นะครัะอาจารย์ตอนย้ายมาห้องพักภาวนาพุทธโธได้แต่หลับเร็วมากได้ครั้งเดียวเมื่อพุทธโธไม่ได้มิแต่รู้สึกจึงกําหนดแค่รู้สึกรู้สึกเพราะถ้าขยับตัวจะปวดมากและเห็นภาพซ้อนคงเครงถ้าลืมตาก็เห็นหมอพยาบาลคนเดิมไปมาปกติครับ ก็ตอบได้ถ้าใจเราไม่ทุกข์ไม่เครียดกับมันก็กใช้ได้ถ้าใจเราเฉยๆการสวดมนต์ภาวนาไม่ได้สวดอยู่หน้าพระพุทธรูปได้ไหมครับได้ส่วนหัใจเราขณะเดินโยกมืบก็ได้นั่งมนต์นดเมก็ได้ดดไดสวดไปภายในใจสามารถสวดได้ทุกสถานที่ทุกเวลา เวลาเกิดเวทนาเกิดความทุกข์จากการเจ็บป่วยหลักๆคือต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาให้ยอมรับความจริงว่าการเจ็บป่วยเป็นอนัตตาให้ปล่อยวางแต่เราก็ยังรู้สึกเจ็บหรือปวดอยู่แล้วก็ยอมรับมันแบบนี้คิดถูกไหมครับคือความเจ็บปวดของร่างกายมันไม่หายจากการพิจารณาแต่สิ่งที่หายก็คือความทุกข์ใจถ้าความทุกข์ใจหายใจเราสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายก็ใช้ได้ สวดมนต์แต่ไม่รู้คําแปลจะได้อะไรครับได้สติเวลาเราสวดเราก็ต้องอยู่กับการสวดเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เราก็จะได้สติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยได้แต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพราะเราไม่เข้าใจความหมายถ้าอยากจะได้ปัญญาเราก็ต้องไปอ่านคําแปลหรือว่าบทชลมนี้กำลัง ส่วนเรื่องอะไรเช่นธรรมจักนี่เราก็ต้องไปอ่านคำแปลถึงนูกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการปฏิบัติทมการสวดมนต์บทอิติปิโสออกเสียงเบาๆซ้ำไปเรื่อยๆ30นาทีกับนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจอย่างเดียว30สนาทีการฝึกแบบไหนช่วยให้สมาธิก้าวหน้าต่างกันอย่างไรครับคือท่านดูลมหายใจได้มันจะสงบ นึกกว่ากับการสวดการสวดนี่มันจะไม่สงบเท่ากับการนั่งดูลมหายใจแต่เบื้องต้นบางทีเรายังไม่มีกําลังพอที่จะดูลมหายใจได้เราก็ลองอาศัยการสวดไปก่อนเพื่อให้เกิดสติเพิ่มมากขึ้นพอเรารู้สึกว่าเราสามารถดูลมหายใจได้เราก็หยุดสวดแล้วก็ดูลมหายใจต่อแทนเพราะใจสงบเข้าไปลึกนั้นต้องอาศัยการดูลมหายใจการสวดนี่ยังไม่สามารถที่จะทําให้ใจสงบเท่ากับการดูลมหายใจได้ นั่งอยู่ในสมาธิทําไมจึงเห็นเหมือนประตูข้างในมีคนแก่หนุ่มสาวนุ่งขาวห่วมขาวเต็มไปหมดคืออะไรครับเป็นความปรุงแต่งของจิตจิตเรายังไม่สงบสติเพลอไปเพราะไม่มีสติควบคุมจิตไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้อยู่กับเร า, าหายใจและอยู่กับพุโทโธจิตมันก็จะปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเพื่อมาหลอกใจได้ก็ให้รู้บ้ามันเป็นเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่ง ไม่ต้องไปสนใจแล้วรีบกลับมหาหาลมแล้วคิดรีบกลับมาหาพุทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวรูปภาพเหล่า น, นั้นก็จะหายไปเรียนถามพระอาจารย์ว่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายจะยังมีวิ ญ, ญญาณธาตุรู้อยู่หรือไม่ครับมีก็เทวดาก็คือธาตุรู้นี่ธาตุรู้ที่ไม่มีร่างกายก็เลยใช้ใช้บุญหรือบาปนสร้างเรื่องร า, าวต่างๆขึ้นมาให้ใหได้เส็ได้สัมผัส จะถวายปัจจัยมีเสียงในหัวบอกให้ใส่แค่สามร้อยเดี๋ยวเราจะลำบากช่วงนี้การเงินติดขัดตัดใจใส่ห้าร้อยได้บุญไหมครับก็ชนะความตะหนีความตะหนีมันบัว่าสามร้อยก็พอแต่เราอยากจะได้บุญมากกว่าสามร้อยเราก็ให้ไปห้าร้อยเราก็ชนะความตะหนีไปได้สองร้อย ในเวลาใกล้าตายจิตสุดท้ายจะเป็นสิ่งกำหนดนำพาเราไปสู่ภพภูมิใหม่จริงหรือไม่ถ้าหากใช่แม้ว่าเราเพียรสะสมบุญเรื่อยมาตลอดแต่ในขณะใกล้าตายจิตสุดท้ายเราพลาดเผลอคิดถึงอกุสลก่อนตายทำให้เราตกนรกด้วยหรือไม่ครับมันส่วนใหญ่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายหรอกที่จะพาเราไปส่วนใหญ่มันอยู่ที่บุญหรือบาต ท, ที่เราสะสมมาตั้งแต่ตอนที่เรายัางไม่ตาย ว่าส่วนไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบาปก็จะเดึงไปสู่ส่วบายถ้าบุญมีมากกว่าบุญก็จะเด้งไปสู่สวรรค์ไปสู่สุขติพอาจารย์ครับถ้าคิดว่าเหมือนเราทําบุญมาตลอดจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นบุญมันก็ควรจะเป็นบุญอย่างนั้นเป็นไม่แน่จิตสุดท้ายอาจจะเกิดเกิดอาการตกใจกลัวหวาดกลัวอะไรขึ้นมาไม่สงบก็ได้ อันนี้แต่มันก็เป็นการมันก็เป็นการตายแบบทรมานทั้งนั้นงคือไม่สงบแต่ถ้าเราฝึกจิตหรือทำบุญมาบุญกรรมอำนาจบุ ญ, บญทําให้จิตเราสงบมันก็เราก็ตายแบบสงบตายแบบสบายแต่พอพอตายปั๊บนี้ผลบุญผลบาปที่เราได้สะสมมามันจะมาเป็นตัวแยกจิตไปอีกทีหนึ่งตอนช่วงจิตสดท้ายบางทีถ้าเราคิดดีคิดแล้วทาให้จิตสงบก็ตายแบบสงบไป ถ้าคิดไม่ดีตายแบบฟุ้งซ่านก็ตายแบบฟุ้งซ่านไปในช่วขณะที่ตายนั่นเองแต่หลังจากนั้นแล้วก็อยู่ที่อํานาจบุญอานาจบาปที่ได้สะสมไว้่จะามาเป็นผู้ดึงจิตไปอีกทีหนึ่งไปเกิดใหม่ต้องอยู่ที่บุญแะบาปที่เราได้ทําไว้สะสมไว้อยู่ใกล้คนพลังลบควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ให้พลังบวกของเราหมดไปครับ แล้วก็ใช้สติวางเฉยไงปล่อยให้เขาทาอะไรไปอย่าไปอยาดอย่าไปยุ่งกับเขาพิจารณาเขาว่าเป็นเหมือนดินน้ำลมลไฟดินฟ้าอากาศเราไปควบคุมมันดินฟ้าอากาศไม่ได้ฝนจะตกแดดจะออกก็ปล่อยมันตกไปคนจะดีคนจะไม่ดีอารมณ์เขาจะสงบไม่สงบเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่ ง, ขงเขาเราจะรักษาใจเราให้เป็นปกติได้ การบรรลุธรรมต้องผ่านการนั่งสมาธิจนจิตรวมเท่านั้นหรือเปล่าครับใช่มันต้องอาสัยจิตที่สงบมีเบคกขาก่อนถึงจะสามารถเจริญทางปัญญาเพื่อบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้พระุเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปัญญานี่ศีลนี่จะสนับสนุนให้มีสมาธิ สมาธินี้จะสนับสนุนให้ปัญญามีมีมีพลังแล้วปัญญาที่มีพลังก็จะทําสนับสนุนให้จิตดุดพ้นจากความทุกข์การบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้มันเป็นขั้นตอนที่สนับสนุนกันศีนีสนับสนุนสมาธิสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาสนับสนุนการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ ถ้าไม่ได้อยู่กับแม่แต่ให้เงินแม่อย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่ได้บุญถ้าให้เงินแม่ใช้ก็เป็นการทำบุญกับแม่ตอนนี้เป็นมะเร็งแต่ยังไม่ได้ผ่าตัดนั่งสมาธิแล้วแผ่ไม่ตาให้เซลล์มะเร็งในะร่างกายเขาจะได้รับบุญไหมครับไม่ได้หรอกเซลล์มะเร็งไม่มีโยมิ ญ, ญ, ญาน มีคนฝากเงินสดไปทำบุญแต่เราโอนเงินส่วนตัวผ่านธนาคารไปแทนอย่างนี้ติดกรรมกันไหมครับไม่ติดหรอกถ้าคุณค่าเท่ากันเรได้บุญเราทำคุณเราทาประโยชน์ให้กับเขาทำให้เขาได้สามารถทำบุญตามที่เขาต้องการเป็นเหมือนสะพานบุญกาบสาธุพระอาจารย์ครับด้วยความเคารพมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือเกิดอุบัติเหตุที่หลัง เมื่อปีหกสามแต่คุณหมอจะผ่าตัดแต่ต้องดูแลแม่และพี่ชายที่เป็นอัมพาตคือถ้าผ่าแล้วจะยกช่วยเขาได้พอมาตอนนี้คุณหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นเพิ่มอีกอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะอยู่อย่างไรก็คิดหนักไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีครับก็แล้วแต่เราถ้าเราถ้าเราบอว่าเรามอนไปก่อนก็ได้ไม่ใช่เลยไม่ต้องไปทําอะไร หวาให้เป็นไปตามบุญตามกรรมของเราไปก็ได้ไม่อยากจะไปฝืนบุญฝืนกรรมโดยการไปผ่าเรนก็ไม่รู้ว่าผ่าแล้วมันจะดีหรือไม่ก็เราก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันเพราะโอกาสที่ผ่าแล้วอาจจะเป็นเราพระเราพาดขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนี่ก็แล้วแต่เราถ้าถ้าทาํทาก็คืออยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปดิน้นหวาให้กรรมมันกําหนดก็แล้วกันให้ให้ธรรมะเป็นผู้กําหนด ชะตาของเราถ้ามันจะป เ, าาเาาป็นำมาเพื่อทมให้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปเขาเรียอย่าไปแกว่งเท้าหาเสียนอย่างนี้นี้นี้อะไนี้นี้อะนี้เสือป่าจระเข้นี้เสือแล้วก็ไปเจอจระเข้เขาไม่อยู่ที่เฉยดีกว่าให้เสือจระเข้มากัดมากินเราไปยามนับกรรมไปโดยที่ไม่ต้องนิ่ง่อน คุณแม่ป่วยขั้นวิกฤตและคุณหมอถามว่าจะยื้อไหมดิฉันบอกแล้วแต่คุณหมอคุณหมอบอกว่าไม่ควรยื้อคนไข้ทรมานอย่างนี้ต้องทําอย่างไรครับแล้วแต่คุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ต้องการรักษาก็จบถ้าคุณแม่ยังต้องการรักษาอยู่ก็เป็นเรื่องของคุณแม่รักษาต่อไปชาติก่อนชาติหน้ามีไหมครับหลังตายมีนรกสว่างไหมครับเนื่ยเขาคุยกัมาตลอดเวลาว่าตายไปแล้ว จิตไม่ได้ตายไปกับร่างกาจิตผู้จะเป็นผู้ไปนรกไปสวรรค์ต่อนั่งก็ไปเกิดใหม่ต่อหลังจากไปสวรรค์ไปนรกเสร็จแล้วก็ไปไปเกิดใหม่ในชาติหน้าชาตินี้ก็จะการเป็นชาติก่อนไปนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมได้ไหมครับได้ถ้าไม่อยากจะเดงก็นั่งนั่งได้ทั้งวันก็นั่งไป แต่ส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติทำทั้งวันนี้มันจะนั่งไปทั้งวันไม่ได้มันก็เลยเปลี่ยนเรี ย, รยบบทจากการนั่งสมาธิมาเดินสมาธิแทนคนที่เขาขโมยเงินของคนมีศีลห้ากับของคนที่ไม่มีศีลบาปเท่ากันไหมครับเท่ากันมันอยู่ที่ปริมาณทรัพย์ที่เราขโมยมากกว่าขโมยมากก็บาปมากขโมยน้อยก็บาปน้อย ไม่ได้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนเป็นคนดีและคนเชื่ออะไรอย่างไงดูแลแม่แล้วบางครั้งรู้สึกเหนื่อยใจบาปไหมครับไม่บาปครับแต่ ว, ว่าเราอาจจ ะ, ะลืมนึกถึงเวลาที่แม่เขาดูแลเราบ้างว่าเขาก็คงจะเหนื่อยเหมือนเรานะมันก็อาจะทําให้เราหายเหนื่อยก็ได้ ในวันพระเรายกเลิกการไหว้พระภูมิเจ้าที่แล้วเจ้า ท, าที่เจ้าทางหรือสารตายายได้ไหมครับและต้องบอกกล่าวหรือไม่ครับไม่ไหว้ไปได้ตลอดเลยก็ได้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมันไม่ใช่เป็นความจริงเจ้าที่เจ้าทางมันมันไม่มีหรอกเราไม่เชื่อเข้ามาแล้วก็เราทาตามที่เราเชื่อเท่านั้นนั่งสมาธิแล้วน้าลายไหลออกมาควรจะทาอย่างไรดีครับก็ปล่อยไหลไปลราอย่าไปสนใจ ถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปปล่ให้นัป่อยให้ปนั่งใจมันอยู่ตามเรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันผมดูหนังพระพุทธเจ้ามีช่วงสนทนาสอนพระเจ้าพิมพิสารทรงตัดว่าเป็นแค่ประสบการณ์รู้จักตัวเองค้นพบตัวเองไม่คิดไม่ปรารถนาแค่รู้สึกเดินทางสายกลางหลวงพ่อโปรดเมตตาขยายความด้วยครับ ต้องขอไปเรื่องบางก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะตอบได้เวลาที่เราทําบุญจะต้องอธิษฐานจิตอย่างไรครับก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําได้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นการที่เราเรียนหนังสือแล้วไม่เข้าใจเลยแม้จะเรียนอ่านหนังสือหลายๆรอบก็แล้วไม่เข้าหัวเลยเรียนแล้วลืมจําได้จําไม่ได้ครับ น้อยวิสติฮะเวลาใจเวลาเรียนหนันงสือหรืออ่านหนังสือวิจัเราลอยเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรือออ่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่เราอ่านมันเราไม่เข้าไปในในหัวเข้าไปในใจเราซื้อลอตเตอรี่บาปไหมครับไม่บาปการที่เราชอบติดตามดูผลงานศินลปินที่เราชอบทุกวัน เราจะวางใจอย่างไรให้หยุดได้บ้างครับเราก็ต้องบอกตัวเราเองว่าหยุดเถอะตั้งจิตอธิษฐานเหมือนพระพุทธเจ้าทรงตั้งจิตอธิษฐานเวลานั่งสมาธิว่าจะนั่งสมาธิไปจนกว่าจะบรรลุ ธ, ธรรมถึงจะลุกขึ้นมาเราก็ต้องอธิษฐานจิตว่าต่อไปนี้เราจะไม่ดูไม่ติดตามดูผลงานวันนี้กี่วันกี่วันต่อทิศก็ว่าไป แล้วก็พยายามรักษาสัจจะตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานไว้ต้องตั้งสัจจะอธิษฐานถึงจะทำได้บุญใส่บาตรทุกพระสิบห้าค่ำกับการให้น้องลงชื่อใ น, นโฉนดที่ดินแล้วไม่คืนผลจะรับอย่างไรครับไม่ช่ไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวกัคนมันไม่ช่มันเกี่ยวกันยังไง อันนี้ไม่เข้าใจความหมายของคําถามนักเรจะตอบยังไงความรู้ที่จะนํามาเจริญปัญญาจะได้จากการฟังและอ่านและปฏิบัติธรรมะใช่ไหมครับหรือได้จากทางอื่นด้วยครับก็มีทางอื่นก็คือเกิดจากการวิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองบางที่เราเห็นสิ่งต่างๆเช่นเห็นใบไม้ร่วงเนี้ยแล้วเราก็พิจารณาว่าใบไม้เนี่ยก็เป็นอนิจจังเหมือนกันนะมันไม่เที่ยง มันก็เป็นเหมือนร่างกายนะมันก็มีเกิดมีตายเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาจากการได้ได้ยินได้ฟังจากผู้มาก็ ไ, ได้ถ้าเราเป็นคนคิดทางด้านเหตุผลทางด้านปัญญาเราก็อาจจะสามารถผลิตปัญญาขึ้นมาเองได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาจนเห็นอริยสัจสีด้วยพระองค์งเองน ห, หนึ่งิวตักนก็จะสั่นิวเคลิกสใช่ไนหะ นิวตันเขก็นั่งดูว่าทํำไมใบไม้เวลามันร่วงมันไม่ลอยขึ้นไปทำไมมาาันต้องตกมาอย่างเดิมก็เลยสรุปว่ามันต้องมีแรงดึงดูดดึงให้มันลงมาไม่ได้ปล่อยไม่มีแรงดึงดูดให้มันขึ้นฟ้ามันมีแรงดึงดูดให้มันตกลงมาที่ดินก็เลยสรุปว่ามีแรงดึงดูดของโลกคอยดึงสิ่งต่างๆให้อยู่บนผิวโลกให้ลอยออกไปจากผิวโลกไปก็เลยได้กฎของของนิวตันมาใช้เป็นพื้นฐานของการอ่า ทำโจทย์อะไรต่างๆทางด้านฟิสิกส์ได้อันนี้ก็เป็นผลในการตัดสลแตตัดสลูตทางด้านฟิสิกส์ไม่ได้ตัดสลูตทางด้านจิตใจอาจารย์เรียนเยอะเลยไหมครับตอนนั้นวิศวะวิศวะต้องเรียนพวกนี้เยอะเลยใช่ไหมครับรรฟิสิกส์แต่เราเร า, เราเรียนพวกนี้สบายเพราะมันเป็นตัดกะทั้ง พอเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเนี่ยมันก็มันก็ไม่ต้องมาท่องจําให้เสียเวลาถ้าให้เรียนหบอนี้ี่จะจสู้จะเรียนไม่ได้เพราะความจําจไม่ค่อยดีจํำชื่อเอาไวร์ว่าต่างๆไม่ค่อยได้เพื่อนบอกว่าให้ไปบวชชีเราบอกเพื่อนว่าบวชแล้วบวชจิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อนบอกบาปพูดแบบนี้บาปไหมครับถ้าเป็นความจริงไม่บาปะถ้าเราไปโกหกเขาก็บาป การที่เราทําบุญและอยากอุทิศบุญให้กับมารดาแต่เราอยู่ห่างท่านซึ่งอายุมากแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะได้รับบุญไหมครับคือบุญอุทิศนี่เราจะอุทิศให้กับคนตายเท่า น, นั้นถ้าเราอยากจะให้คนเป็นมีความสุขเราก็ส่งเงินไปให้แทนก็ได้เราส่งคนเราส่งเงินไปให้คนตายไม่ได้เราก็ต้องทําบุญให้เขาแทนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถส่งส่งบุญมาให้คนตานนยได้เราก็ส่งกันไปดีกว่า เขาจะได้ใช้เงินไปซื้อความสุข ต, ต่างๆได้แต่เขาอยู่ในนอกทิพย์แล้วเขามันสามารถใช้เงินได้ก็ใช้บุญเป็นเป็นเแทนแทนแ ท, น, ทนเงินเราก็ต้องส่งบุญไปให้เขาเท่านั้นเองแต่ถ้าคนยังมีชีวิตอยู่เราก็ส่งเงินไปให้เขาเลยเป้าหมายก็อันเดียวกันคือให้เขามีความสุขตื่นมาตอนเช้าฝั่งธรรมะทุกๆวันจะฝึกสติได้ไหมครับ ก, การฟังธรรมก็เป็นการฝึกสติอน่างระับหนึ่งถ้าเราฟังแล้วเราไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตใจอยู่การฟังธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าฟังอย่างต่อเนื่องเราจิตใจเราก็ต้องเกิดความสงบ ใ, ในขณะที่เราฟังธรรมเราก็จะได้สติแล้วก็ได้ปัญญาด้ความรู้ความเข้าใจด้วยเกี่ยวกับธรรมะด้านต่าง การที่เราเรียนหนังสือแล้วไม่เข้าใจเลยอ่านหนังสือหลายรอบก็ไม่เข้าสมองลืมง่ายจําไม่ได้อายุยี่สิบกว่าแต่เรียนแล้วไม่รู้เรื่องทําให้เรารู้สึกโง่มากแบบนี้เป็นโรคกรรมบางอย่างหนึ่งใช่ไหมที่พบชาติก่อนเคยทํากรรมไว้ครับก็ระดับสติของเรามันน้อยมันถึงไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่กับการอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่องคนเราที่ระดับสติไม่เท่ากัน ยัน ม, ม, ม, มีสภาพที่มการอ่านหนังสือจึงไม่เก่งไม่เท่ากันคนที่มีสติดีนี่สอบได้สี่จุดคนที่สอบสติไม่ค่อยดีมันจะสอบได้แค่จุดเดียวหนึ่งจุดศูนก็มีเพราะว่าไม่เวลาฟังก็ไม่เข้าใจเข้าใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาอ่านหนังสือก็ไม่เข้าใจเพราะไปคิดเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, นี้แต่คนที่มีสตินี้ก็เขา้าเข้าใจหมดเลยเวลาครูพูดอะไรเขาก็ฟังตลอดเวลาอ่านหนังสือเขาก็อ่านตลอด เขาก็เจดจาได้เข้าใจนะเขาจะจดจำได้บุญจากการภาวนาจนจิตสงบต้องสงบขั้นอุปจาระขึ้นไปหรือว่าแค่คณิกาก็เป็นบุญแล้วครับต้งแต่คันดิกากขึ้นไปก็ได้เป็นบุญแล้วลูกพูดจาไม่ดีกับเราถ้าเราไม่โกรธไม่ถือสาลูกบาบไหมครับลูกก็บาบอยู่ดี แต่เราแต่เราไม่ทุกข์กับเขาก็ใช้ได้ถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์กับเขาไม่ได้ไปหาแม่เลยเป็นบาปไม่ครับแต่คอยโทรไปหาและโอนเงินให้แม่ใช้ครับไม่บาปเราะถ้ายังเรายังมีความกดันอยู่เรายังระอึถึงท่านด้วยการติดต่อกันอยู่สมายนี้เราสามารถใช้สื่อสา ร, รด้วยวิธีโทรศัพท์ทางคุยกันก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้ไปเยี่ยมเยียนท่านนะ แ้ถ้าส่งเงินไปก็ถือว่าเราได้ยูแลท่านยึดอยู่ท่านไปในตัวทำบุญโดยการโอนตางแต่ไม่ได้ไปวัดได้บุญเท่ากับไปที่วัดไหมครับได้ได้เท่ากันแต่บุญที่เราไม่ได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทำความเพียรเพราะเวลาเราไปวัดเราต้องมีความเพียรพยายามเดินทางไปด้วยอันนี้เราจะไม่ได้แต่ บุญนี่เกิดจากการให้นี้เราได้เท่ากันฉะนั้นเราบริจาคร้อยบาทโดยผ่านทางออนไลน์หรือเราไปทีวัดเองทามันก็ได้ร้อยบาทเท่ากันได้บุญร้อยบาทเท่ากันต่างกันตรงที่ความเพียรเราจะไม่ได้ทำความเพียรถ้าไปเลี้ยงข้าวเพื่อนได้บุญไหมครับได้ วันคล้ายวันเกิดเราเราจำเป็นต้องทำบุญตรงวันเกิดไหมครับเช่นใส่บากรพสงฆ์ครับไม่จำเป็นนะทำบุญได้ทุกวันทำอะไรก็ได้นกที่มาสร้างหลังรังหลังห้องถ้าเราจะเอารังนกนี้ออกไปบาปไหมครับไม่บาปถ้าเราไม่ทาให้มันตาย พ่อแม่อายุห้าสิบนิดๆยังเข้าถึงอริสัตย์สี่ไม่ได้ลูกบอกให้พ่อแม่ละการร่วมหลับนอนลูกบาปไหมครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของลูกที่จะไปสอนพ่อแม่ น, นไม่ควรทำพี่สาวเป็นคนใจร้ายทำร้ายทั้งกายและใจหนูตั้งจิตอโหสิกรรมให้เขาแต่ขอตัดญาติเพื่อไม่ให้หนูทุกข์อีกแบบนี้เรียกว่าอโหสิทไหมครับ ไม่ไม่เห็นว่าเราเป็นจะต้องเป็นสัญญาติอะไรกันเราเพียงแต่ให้หัวหาสีเขาไม่ไปโกรธเขาเราก็เราก็ได้บุญแล้วเราก็ไม่ถูกเ์แล้ต่การตัดไม่ตัดนี่มันไม่ได้อยู่ที่การพูดเพราะมันตัดไม่ได้ถ้าเป็นพี่น้องมันก็เป็นพี่น้องกันอยู่นั่นแหละจะบอกว่าไม่เป็นพี่น้องกันนี่มันมันปฏิเสธความจริงไม่ได้เปลี่ยนความจริงไม่ได้เพียงแตาจะไม่เกี่ยวข้องกันได้อยู่เขาอยู่บ้านหนึ่งเราอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่คนละที่กันต่างฝ่ายต่างอยู่กันไป คุณแม่ตอบไม่ได้ดิฉันและคุณหมอเลือกให้คุณแม่หลับสบายบาปไหมครับคุณแม่ตอบไม่ได้ครับเราไปตัดสินใจให้ท่านโดยการถ้าทําให้ท่านตายมันก็บาปแต่ถ้าไม่ได้ทําให้ท่านตายเป็นแต่ปล่อยให้ท่านไม่รักษาท่านแล้วท่านตายไปโดยโดยโดยธรรมชาติมันก็ไม่บาป ลงรักดาราคนนี้มากให้ของขวัญเงินทั้งๆ ท, ที่ไม่อยากได้อะไรตอบแทนเห็นเขามีความสุขก็ดีใจด้วยแบบนี้ดาราคนนั้นที่ได้ของขวัญจากแฟนคลับหรือจากเราดาราคนนี้จะติดหนี้ไหมครับเราได้บุญจากการให้ด้วยไหมครับไม่ติดหนี้หรอกเพราะเราเขาเรา เ, รา เ, ราเราขาไม่ได้ขอเราถ้าเขาถ้าเขาขอเราเนี่ยเขาจะติดหนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้ขอเราเราให้เขาโดยโดยโดยโดย โดยความโดยสุดใจอยากจะให้เขามีความสุขก็มันก็ทำบุญกับเขาเราก็ได้บุญจากการให้เงินทองให้เขาไปถ้าเราไม่ต้องการผลตอบแทนถ้าเราต้องการผลตอบแทนมันก็ไม่ได้เป็นบุญมันก็จะเป็นการซื้อขายนากเปลี่ยนตนเองป่วยอยู่เดินไม่ไหวแต่อยากไปใส่บาตรทำบุญให้ปัจจัยคนอื่นทำแทนได้ไหมครับตอนนี้ได้แต่สวดมนต์ครับได้ถ้าให้คนอื่นทาแทนก็ได้ เียงแต่ว่าเราจะไม่ได้บุญจากการทําเองในส่วนในส่วนเรื่องของความการกระทําความเพียรท่านั้นเองแต่การบริจาคเงนนี้ก็ได้เหมือนกันทําเองหรือให้คนอื่นไปทําแทนให้ของเราเราก็ได้บริจาคเงินเท่ากันได้บุญเท่ากันเลือกซื้อปลาช่อนจากตลาดจะไปปล่อยแต่ไม่ได้สังเกตว่าถุงพอดีกับตัวปลาจนทําให้ปลาหายใจไม่ออกพอไปถึงท่าน้ําจะปล่อยปลาปรากฏว่าปลาตาย ทำให้จิตตกเป็นบาปไหมครับปัจจุบันนึกถึงเหตุการณ์ น, นั้นที่อะไรยังรู้สึกเศร้าอยู่ครับถ้าไม่มเป็นเจตนาทําให้เขาตายก็ไม่บาปแต่เราก็สามารถอุทิศบุญให้กับเขาได้เวลาเราทําบุญก็อุทิศให้กับปลาอุทิศบุญให้กับปลาตัวนั้นได้เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินปูปลาน้ําเต้าบาปตกนรกไหมครับมันขึ้นอยู่กับมันไม่บาปเพราะมันเป็นนโยบายมุก อาบย่พวกนี้มันก็เป็นเพียงการกระทำที่จะทำให้เราอาจจะไปทำบาปต่อไปได้ถ้าเรายังไม่ไปทำบาปหรือไม่ไปลักขโมยเงินของคนอื่นไม่ได้ไปทำผิดศรลข้อใด ข, ข้อหนึ่งก็ยังไม่บาปการที่มีคนมาร่วมบุญในการทำอาหารขนมถวายพระจำนวนมากของเหลือเช่นน้ำตาลแป้งน้ามันเราเลยนามาใช้ทำทานเองแบบนี้บาปไหมครับ มันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นทานของเราเพราะมันเป็นทานของความเฉกขาแล้วก็ช่วยทําให้เขาให้มันสําเร็จประโยชน์ไม่ไม่ไม่ทิ้งมันให้ไม่เอาไปทิ้งหรือเอาไปทำเก็บไว้เฉยๆแล้วก็เอาไปทําทานต่อทุกคนที่ร่วมร่วมถวยของเหล่านั้นก็จะได้บุญด้วยอ๋อเขาหมายถึงว่านํามาใช้ทําทํารับประทานเองอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อถ้าเรามาทําเองมันก็ จะมาบัางหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราจขออนุญาตกับคนที่เข้าร่วมบุญหรือเปล่าว่าถ้าเของเหลื อ, อนี้ขอเอามาทํากินยองได้ไหมถ้าเขาบอกได้ก็ทําก็ไม่บาปแต่ถ้าเขาไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้อนุญาตเราก็ต้องเอาไปทําบุญให้มันหมดไปเวลาสวดมนต์มหาจากักระพัดทําไมถึงคันตามตัวครับไม่ทราบเลยครับผมคิดดีได้แต่ผมทําไม่ได้เพราะอะไรครับ ก่ยังไม่มีกาลังพอ ม, มีแค่กำลังคิดแต่กำลังที่จะเอาไปกระทำยังไม่มีกำลังพอต้องฝึกสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิกำหนดพุทโธใจก็ยังคิดอยู่แต่ไม่ลืมพุทโธแบบนี้ยังนั่งต่อไปได้ใช่ไหมครับก็ตามใจที่เรานั่งได้ก็นั่งไปอยู่กับพุทโธไปนั่งได้ไปตลอด คนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถคว่ํำเขาจะเกิดใหม่เลยหรือไม่ครับเขาก็ไปตามมูลมกรรมของเขาเถ้าว่าเกิดใหม่ก็ไม่ได้มาเข า, าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ทันทีอาจจะต้อไปเกิดเป็นในราชฉานบ้างเป็นเปรตบ้างถ้าทําบาลมากกว่าทำบุญหรือไม่เช่นั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าทําบุญมากกว่าทำบาปรือว่าบุญหรือบามันหมดกําลังถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ต่อไป เลี้ยงพี่สาวจะได้บุญไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วครับได้ได้บุญขอเนี้ยถามพระอาจารย์ครับท้องพุโทโธหรือแค่สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วจัดเย็นทั้งตัวเป็นเพราะอะไรครับให้รู้เฉยๆก็แล้วกันเป็นอย่างนั้นะถ้าเราไม่รู้เห็นว่าเป็นอย่ังไงไม่จาเป็นจะต้องรู้เหตุให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่ามันมันมันเป็นอนิจจังหรือไม่เป็นอนิจจัง มันเป็นของโชวคขาวแลวเป็นของท้าวอนันให้ดูตามความเป็นจริงลูกป่วยเป็นโรคทางจิตเป็นห่วงเวลาที่เราตายจะต้องทำจิตคิดอย่างไรครับก็คิดว่าเป็นบุญเป็นกรรมของเขาไปถ้าไม่มีเราแล้วเขาก็ต้องอาศัยบุญกรรมของเขาดูแลตัวเขาไป ดูแลแม่ที่แก่เท่าอยู่แต่เขาไม่รับไมตรีเลยเราทําต่อไปแต่อึดอัดเราควรวางตัวอย่างไรครับเรายังไปหวังให้เขามีไมตรีกับเราเสแล้วทําหน้าที่ของเราตอบแทนบุญคุณให้กับเขาไปแล้วเราก็จะไม่อึดอัดเราตั้งใจทําบุญให้พี่ชายที่ตายไปแล้วเราฝันเหมือนเราได้พูดคุยกับเขาแต่เขาไม่ได้ขยับปาก ก็ไม่ความฝันนั่นเองแต่ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ทำได้โดยส่วนใหญ่เราจะเชื่อกันวนะ่าถ้าเราไปคิดถึงคนตายก็อาจจะคิดว่าคนตายมาหาเราซึ่งบางทีเขาไม่ได้มาหาเราก็ได้มันเป็นความคิดของเราคิดไปถึงเขาแต่ถ้าอยากจะทำบุญทุกครั้งที่เราฝันหนึ่งคนตายก็สามารถทำได้อุทิศได้จิตกับความคิด และใจเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคือจิตกับใจนี่เป็นตัวเดียวกันเป็นท่านรู้แลนั่นอตัวท่านรู้นี่มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดได้บริกรรมพุทโธแล้วจิตหลงไปคิดลืมคำบริกรรมพอรู้ทันก็กลับมาที่คำบริกรรมทำแบบนี้ถูกทางไหมครับถู ก, กต้องพยายามให้อยู่กับคำบริกรรมให้ให้ต่อเนื่องให้ได้ แต่เมื่อเวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันมักจะเผยอะไรกรันได้เพียงแป๊บเดียวก็เผอไปคิดเรื่องนั้นเรง น, นี้พอรู้สึกตัวก็หนึ่งกลับมาที่พุโทโธใหม่มันก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนน้อมรู้ขุกลาไปก่อนแต่ถ้าเราพยายามทำอยู่เรื่อยๆต่อไปพุโทโธก็จะอยู่นานขึ้นนานขึ้นขายไขย่ไก่เป็นการค้าขายชีวิตสัตว์หรือเปล่าครับถ้าไม่มีถ้ามันไม่เป็นตัวก็ไม่ ก, ก็ก็ไม่ไมไมบาป ถ้ามันไม่สามารถฟักตัวเป็นเป็นลูกลูกไก่ออกมาได้ก็แสดงว่าไก่นั้นไก่นั้นไม่มีชีวิตเพื่อนไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วจ้างคนที่ไปปฏิบัติด้วยกันนวดให้ช่วงเวลาอยู่ในที่พักผิดไหมครับถ้าไม่ผิดกฎระเบียบก็ทำได้ถ้าเขาไม่ได้ห้ามเราอยากจะต้องการถ้าเรามีอาการ หยาบคายได้ป่วยต้องการการเมื่อรักษาก็รักษาได้รักษาโพยาบาลได้การพูดลักษณะไหนถือว่าผิดศีลข้อมุสาวาทาครับก็พูดไม่ตรงกับความเป็นจริงนะศีลห้าศีลแปดนี่ก็มีแค่ข้อที่ข้อเดียวไม่ต้องพูดตามความเป็นจริงส่วนการพูดจาหยาบคายพูดเพื่อเจอ้อพูดส้อเสียนี้มันเป็นศีลที่ละเอียดสําหรับนัก บ, บวช จ ะ, จะถือกันถ้าเราด่านักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองเราบาปไหมครับเวลาเขาก็ไม่ดีมันก็เป็ น, นวาจาที่ไม่ดีที่ไม่ควรพูดทำบุญและแบ่งบุญอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรเขาจะได้รับไหมครับ ถ้ากขาเป็นเทวดาเขาก็จะไม่ต้องรับบุญจากเราเพราะเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปนี่เป็นเหมนเราส่งนั้นเอาบุญที่จะเราจะให้ขอทานไปให้กับเศรษฐีอย่างนี้เทวดาก็เป็นเศรษฐีบุญเขาถ้าเขารู้เขาก็อนุโมทนาขอบคุณเทนั้นเองแต่เขาไม่ได้มีความยินดีกับบุญที่เราส่งไปแต่ถ้าส่งไปให้ขอทานคือ็นพวกเกรดเนี่ยเขาจะยินดี ขอแทนขอทานนี่ฮะให้แค่สิบาทยี่สิบาทเขาก็มีใจนะแต่ไปให้เศรษฐียี่สิบาทยี่สิบาทเขาว่าเอาไาทําไมวันเกิดเอามาไละไไปไหว้แม่ขอบคุณที่อุ้มท้องมาและเลี้ยงมาจนโตแล้วกราบแม่ทําไมแม่ร้องไห้ครับก็แม่อาจจะพัฒใจในความกระตันยูของเราก็ได้นะทราบซึ่งในความกระตันยูของเราเพราะว่า การมีลูกท e ี่กระตันอยู่นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายจิตแยกธาตุขันได้เป็นสามส่วนลูกแยกธาตุขันได้สามรอบเห็นตัวที่ทำให้เกิดทุกข์เห็นตัวสัญญาเดิมทำงานร่วมกับความอยากเห็นตัวผู้รู้ลูกอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าลักษณะนี้ถูกทางแล้วไหมครับก็ให้มันดับความทุกข์ให้ได้ก็พอ ให้จิตเราไม่ทุกกับาธาตุขันธ์เราไม่ทุกกับร่างกายถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังแสดงว่ายังทำไม่ถูกต้องไม่ทุกกับร่างกายต้องปล่อยวางร่างกายได้โดยพิจารณาว่าร่างกายเป็นแค่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกาย เรียนรู้ปฏิบัติสมาธิด้วยตนเองที่บ้านไม่ได้มีครูบาอาจารย์สั่งสอนจะประสบผลสาเร็จได้ไหมครับถ้าถ้าเราเรียนรู้ที่วิธีที่ถูกต้องก็ก็สามารถประสบความสาเร็จได้แตวิธีที่เราไปเรียนถ้ามันไม่ถูกต้องก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้ถือศีลแปดได้หนึ่งวันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะต้องคอยคิดคอยระวังว่าจะทำศีลขาดหรือเปล่า อย่างนี้จะได้บุญไหมครับเพราะคิดว่าควรรู้สึกของใสเวลาที่ถือศีแปดครับก็ได้ความพยายามได้ความเพียรพยายามที่เราจะรักษาศีลแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยเพราะเรายังไปยังไปวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องศีลฐานหรนิ่มอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องศีลให้ละเอียดกันให้ชัดเจนกว่านี้เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีรักษาอย่างอย่างถูกต้อง ถ้าเราดุนักเรียนบน่นหรือทำโทษนักเรียนบาปไหมครับเราจะวัดจะระวางอย่างไรจะไม่เป็นบาปครับถ้าเราทำเพื่อสั่งสอนด้วยความเมตตาไม่โกรธเขาไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ ม, มันก็ไม่บาปแต่ถ้าเราทำด้วยอารมณ์โกรธนี่มันก็จะบาปได้แต่ก่อนเคยนั่งสมาธิแล้วพูดโทหายแต่นั่งแล้วเห็นนิมิตไปดูนะรกจิตก็เลยถอน ตอนหลังๆนั่งไม่ได้แต่จะท่องพุดโทรแทนเดินนั่งกินเดินนั่งนอนแค่สูดลมหายใจเข้าดึกๆก็จะเย็นทั้งตัวเป็นเพราะอะไรครับถ้าเย็นก็แสดงว่าเจ็ตสงบเจ็ตสบายการเลี้ยงสุนัขขายบาปไหมครับถ้าไม่ได้เอาไปฆ่าก็ไม่บาป ถ้าขายไปแล้วก็ไปข้างนี้ก็บากวันนี้ไปฟังเทศนากุติพระอาจารย์คนต่อแถวทำบุญเยอะเราเลยโอนเงินเข้าบัญชีแทนได้บุญเท่ากับถวายด้วยมือไหมครับได้ได้เท่ากันการที่เราไปขออนุเคราะห์เรื่องงบประมาณเพื่อมาพัฒนาองค์กรจากพระหรือผู้ใจบุญเราจะติดหนี้ผู้บริจาคไหมครับติดว่าเราไปขอก็ ถ้าเราไม่ไปขอเขาบริจาคมาโดยที่เราไม่ได้ไปขอเขาเร า, เราก็จะไม่ติดอย่างนี้ถ้าเราบอกเฉยๆว่าเราอยากจะทําอันนี้ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าเราบอกได้ถ้าบอกว่าเราจะสร้างใจดีทําโครงการนี้แล้วเขาอยากจะร่วมกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นหนี้กันบอกบุญได้แต่อย่าไปขออย่าไปเรียกอะไรถ้าเรียกแล้วก็ไปรบกวนเขาไปขอเขา ถ้าเข้าให้มหันก็เหมือนกับเราก็เป็นหนี้เขาถ้าเขาหน่าก็จะมาเรื่ออะไรขอเรากลับก็ได้ถ้าเราไม่ให้เขาก็แสดงว่าเราก็เห็นแก่ตัวถ้าปัญญาที่เกิดจากการที่เราวิเคราะห์ได้เองจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงกลัวคิดผิดไปครับเอปัญญาที่เป็นปัญญาที่ถูกต้องมัคือสามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ ปัญญาที่มีทางพุทธศาสนาดีมีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างจรวดหรือสร้างบ้านสร้างอะไรอันนี้เป็นปัญญาที่เอามาใช้กับเวลาเรามีความทุกข์แล้เราใช้ปัญญาวิเคราะห์จนเราสามารถทําให้ความทุกข์ที่มดีในใจเราหายไปได้ก็ถสดว่าเป็นปัญญาเคยขับรถในทางด่วนมีหมาตัดหน้ารถมองเห็นแต่เบรกรถไม่ได้ชนหมา บาปไหมครับเพราะกลัวรถหลังและด้านข้างจะชนกันครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปการให้ยาแก้ปวดจนคนไข้หลับไม่ตื่นเพราะยากดการหายใจจนตายแบบนี้บาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปพิจารณาสังขารนั่งสมาธิเห็นข้างในหมดเลยเป็นเพราะอะไรครับ เห่นอะไรไม่ทราบเห็นข้างในหมดเลยน่าจะหมายความถึงอวัยวะข้างในครับอาจารย์ครับออก็เป็นการการการเห็นด้วยปัญญาเห็นจิตสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ดีทําบุญแทนสามีป่วยระยะสุดท้ายอยู่ที่โรงพยาบาลโดยใช้บัญชีของสามีโอนไปทําบุญสามีได้บุญไหมครับต้องเกิดจากเจตนาลมของสามีก่อน าสามสัมว่าช่วยโอนเงินให้หน่อยเขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราไปทำอะไรโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็จะไม่ได้บุญถ้าเห็นคนค้ายาเสพติดเราเป็นพลเมืองดีจึงแจ้งตำรวจให้จับเสียเลยเราได้บุญไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมือง มีข่าวเรื่องตำรวจที่เสียชีวิตในเรือนจำครับแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องเวรกรรมใช่ไหมครับที่ท่านเคยทำเอาไว้ไม่ว่าช้าหรือเร็วกรรมก็ตามทันไม่ต้องรอชาติหน้าหรือเปล่าครับก็จะมองอย่างนั้นก็ได้ น, นจะมองว่าเป็นนักจังถึงเวลาที่ร่างกายเขจะต้องตายก็ได้มันก็แล้วแต่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรดูแลสามีที่ติดเตียงถือว่าเป็นการทำบุญด้วยไหมครับเป็น ทำไมการนั่งสมาธิถึงมีบุญมากกว่าการทําบุญบริจาคทานหรือยังอื่นทุกทุกอย่างทั้งทั้งที่เรานั่งสมาธิเฉยๆไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้สังคมเลยแค่มีจิตใจสงบนิ่งเฉยๆสงสัยตลอดว่าทําไมถึงได้บุญมากที่สุดพ ร, ระอาจารย์อธิบายครับเพราะความสุขมากกว่ากันเนี่ยจิตที่สงบนี่เปความสุขที่ยิงยกก่งใหกว่าความสุขที่เกิดจากการกระทําอะไรต่างๆจากการรักษาศีลจากการทําบุญเนี่ยอันนี้สอไม่ทเท่ากับ บุญที่ได้จากการทำจิตให้สงบจิต ท, ที่สงบอย่างสมบูรณ์ด้วยปัญญาก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิเดกต่อไปก็เป็นนิพพานเวลาอุทิศบุญควรอธิษฐานรวมบุญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วค่อยอุทิศบุญใช่ไหมครับแล้วแต่เราจะทิอย่างไงก็ได้ ผู้ที่บําเพ็ญสมาธิจนได้ฌานแล้วถ้าตายไปจะไปเกิดเป็นพรหมต้องตายในขณะที่เข้าฌานไหมครับถึงจะไปเกิดเป็นพรหมถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วตายโดยไม่ได้เข้าฌานจะไปเกิดเป็นพรหมไหมครับไ่เอ่อ ม, ม, ม, มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะจิตันก็จะสงบคุณพ่อเสียไปสี่ปีแล้วยังไม่ได้ไปลอยอังคารผิดไหมครับไม่ผิด น, นะ เราเป็นพี่แล้วรู้สึกสิ่งที่น้องทำไม่ดีทําสิ่งไม่ควรกับแม่รับหลังแล้วเราบอกให้แม่รู้ในสิ่งนั้นบาปไหมครับไม่บาปแต่บางทีน่า จ, จะไม่ควรพูดจะดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเราการเดินปัญญาต้องเดินในสมาธิหรือตอนออกจากสมาธิครับต้องออกจากสมาธิแล้ถึงเดินปัญญาได้ เพราะขณะที่อยู่ในสมาธินี้จิตนิ่งสงบคิดไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้อาภัยให้คนที่เคยทาร้ายเราแต่เขาก็จะได้รับผลกรรมที่ได้ทำกับเราใช่ไหมครับใช่ผลกรรมก็จะมันเป็นไปการที่เราให้อาภายัยเขาก็คือทำให้เราไม่ไปโกรธไม่ไปทุกข์กับเขาและไม่ไปสร้างเวทส้งกรรมกับเขาท่านนเองแต่กรรมที่เขาทำก็ยังมีผลตอบไป ทำบุญตักบาทแต่นําที่ดินที่ไม่ใช่ของเราไม่คืนเจ้าของผลจะเป็นอย่างไรครับหมายถึงเอาเงินที่ได้จากขายที่ดินแล้วนี่ยไงคือน่าจะเป็นสองกรณีครับอาจารย์คือเหมือนก็ทําบุญด้วยแต่ว่าก็เอาเหมือนกับเอาที่ดินที่ไม่ใช่ของตัวเองไปเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์เอ่ามันก็คนละเรื่องกันทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาป ไปถือศีลแปดช่วงเข้าพรรษาครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนั่งสมาธิแล้วหลับสบายไปเลยอย่างนี้เป็นบากไหมครับไม่บาปเพียแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ความสงบจากการนั่งสมาธิได้การหลับแทนมีเล็บมือเล็บเท้าเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดถือศีลแปดแต่ไม่ได้ล้างสีออกจะผิดศีลแปดไหมครับ ถ้ามันมีเจตนาอยู่ที่เจตนาของเราว่าเราต้องการที่จะเก็บไว้ทําไมถ้าเงยงต้องการเก็บไว้เพื่อรักษาความสวยความงามอยู่มันก็ยังมันก็ไม่ควรเพราะการถือสินปรนี้เราไม่ต้องการที่จะใช้เครื่องสำอามในการดูแลร่างกายของเราให้ให้สวยสดงดงามเราต้องการให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติ แต่ถ้ามันเป็นเสียที่เร า, เาไม่ออกเอาออกไม่ได้มันสุดวิสัยก็ปล่อยมันไว้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่มีเจตนาต้องการจะใช้มันมาเพื่อเสริมโวยความงามของเราคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้าเรานั่งสมาธิแผ่บุญและตัดบาต ท, ทุกวันลูกจะได้รับบุญหรือเปล่าครับถ้าลูกยังไม่ชีินนิย่ก็ไม่ได้บุญการแผ่บุญนี่ต้องให้กับคนตายเถ้าอยากจะให้ลูกมีความสุข แล้วก็ให้เงินเขาไปขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้เพื่อนฟังอยู่ในเฟซหกร้อยสามสิบเอ็ดในยูหกร้อยเก้าสิบสี่ับเก้าติ๊กตอกหกร้อยสามสิบสี่ครั บ, 34, รบวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทำพร้อมกันหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดคนนะครับอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีพระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสามสิบสองคำถามนะครับก็ ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังมาร่วมสนทนาธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพนิสพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในรรยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุ